พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งมีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าวหายทวนกระแสใจวันนี้รู้สึกว่าหนาว ลูกหลานศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อลงอยู่ไปกรุงเทพหลายวันไปร้อนอยู่นี่นขึ้นมาเออเอาหนาวมาด้วยเมื่อวานบอกว่าลงลงสิบหกแต่เมื่อเช้าเนะี่ยลงสิบสองหนาวเมื่อเช้าโอ้รู้สึกว่าหนาวเย็นพอสมควร ทั้งที่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคณะศสัตย า, าติโยมวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2559เป็นเดือนมีนาแล้วพระในวัดของเราขณะนี้35รูปแต่ถึงยังไงก็ตามคณาสัตยาธิโยมวันนี้เป็นวันพระนะวันพระ แรม8ดค่ำเดือนสมเมื่อกี้เนี่ยเป็นเดือนสามเพนแต่วันนี้เป็นแรม8ดค่ำวันนี้เป็นวันพระสำหรับพวกเราเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันสำนึกลํำลึกถึงคุณงามความดี8ดค่ำสิบห้าค่ำให้พวกเราคิดไว้ในใจเสมอว่าอย่าได้ขาด ในการบำเพ็ญคุณงามความดีเหมือนกับว่าเราตั้งจิตเอาไว้ว่าวันอาทิตย์เราจะทำอะไรแต่นี้เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องคิดว่าวันพระ8ค่ำ15บาค่ำเราจะทำอะไรเราควรจะประกอบคุณงามความดีอะไรควรจะยกเว้นในการกระทำของเราที่มันไม่ถูกต้องหรือคือพิธีพิธนัน ใส่ใส่ใจเป็นพิเศษวันถึงวันพระ น, นีพวกเราควรอย่างน้อย ก, ก็มีศีลห้าสมาทานศีลห้าเพื่อลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ใช่ลำลึกถึงแต่ลำลึกถึงแต่ประกอบคุณงามความดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ผลที่ได้รับก็คือเราเอาชนะกิเลสภายในใจของเรา ถ้าหาว่าเราวันไหนกับวันเก่ากิเลสราคะโทสะโมหะก็ครอบงำจิตใจของพวกเราจิตใจของเราก็ไม่มีวันที่จะงอกเงยไปสู่คุณงามความดีได้เพราะอะไรเพราะจิตใจของเราครอบงำด้วยกิเลสโลภ บ, บัางโกรธบัง่งหลงบัง่งราคะโทสะโมหะครอบงำจนจิตใจของเรามืดบอดไปในที่สุด แต่ถามว่าพวกเราพยายามเอาแสงสว่างธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราประพฤติปฏิบัติฝาฝืนเอาชนะทีละน้อยละน้อยอฝืนแต่จะให้อย่างใจของเราใหม่แล้ว <c oughs> มันไม่ชอบละมันชอบน้ำมันไม่ชอบไหลขึ้นทางสูงถ้าถ่ายขึ้นไวเท่านั้นต้องมีเครื่องพักดัน แต่น้ำมันชอบหลทงทางต่ำนี้ก็เหมือนกันใจของปุตุชนทั้งหลายชอบไปในทางสะดวกสบายชอบไปในทางกิเลสราคาเป็นยังไงชอบโทสะเป็นยังไงปล่อยไปโมหะก็คือความรุ่มหลงมัวเมาในชีวิตของพวกเราคิดว่าเราจะอยู่อายุยืนนานโชคฟ้าดินสลายจะไม่หนีออกจากโลกนี้ใจของเรามันคิดอย่างนั้น มันไหลไปทางนั้นแต่นี่พวกเรามีธรรมะ เ, เข้ามาสู่จิตใจของเราสำนึกมันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดนะมอใจนะชีวิตที่มันแก่แก่ไปเพื่ออะไรแก่ไปหาจุดจบของมันคือความตายเราจะต้องถึงจุดจบนะเรามีคุณงามความดีหรือยังตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้สมบูรณ์เยอย่างใน ตัวของเราถ้ายังขาดตกบกพร่องอยู่นั่นนะให้มองโอปนญิโกให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของให้ดูตัวของเราถ้าดูตัวของเรายังขาดตกบกพร่องอยู่เราก็ไม่ควรจะละเหลืองอไม่สนใจเราก็ควรจะสํานึกไว้อยู่เสมอว่าวันพระนะึงสิบห้าค่ำแปดค่ำเราควรจะประกอบคุณงามความดีถึงยังไงเราต้องฝืน เหมือนกับเราพยายามคัดน้ำขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางเราเราจะไม่ให้ใจของเราไหลไปลงทางต่ำอยู่เสมออยู่ตลอดเราต้องพยายามฝืนจิตฝืนใจถึงไม่อยากจะมาก็ต้องมาถึงจะไปมาวัดก็พยายามให้ไหว้พระให้ได้8ดข้ามสิห้าข้ามอรหังสวาคาโตสุปฏิปโนหาโอกาสหรือนั่งภาวนา วันพระหนึ่งให้นั่งภาวนาให้ได้สักส0สบนาทีก่อนนอนหรือว่าเมื่อมีโอกาสพยายามนั่งภาวนาให้ได้8ดคำ่ำสิบห้าค่าชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเราปล่อยปและเลยทั้งห7เจ็ดวันไม่ได้ภาวนาแต่วันที่เจ็ดวันที่8กับวันที่ส5ห้าเนี่ยเรานั่งภาวนาสักวันสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมถ้าหาว่า วันไหนก็วันเก่ามีตะกิเลสราคาโทสะเอาไปกินทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมีตโลบโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่น่าจะถูกต้องนะพวกเราได้ฟังฟังเอาไว้เพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาประทมคำสอนของพุท ธ, ธะต้องเอาชนะกิเลสภายในใจของเราให้ได้ไม่มากาไม่น้อยไม่มากก็ต้องให้น้อยลนะน้อยไม่ต้องไม่น้อยก็ให้มากนะ ให้รักเอาชนะให้มากไว้พยายามให้มีถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ใจสนใจกระย่างว่าถ้าหาว่าโค้งสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรเราต้องคิดดนะูพึ่งพาอาศัยอะไรโคงสุดท้ายนั้นจะไปพึ่งพาที่ไร่ทีนาที่รั้วที่สวนเงินคาทรัพย์สมบัติ ญาติพี่ญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานมันพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องอัตตหิอั ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานะเนี่อมันพึ่งตัวเองนะโค้งนั้นโค้งสุดท้ายนะ่ะแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กับพึ่งพาลูกศิษย์พึ่งพิงอิงอาศัยกัน ถอยทีถอยอาศัยกันสามีภรรยาลูกหลานปงสาคณนายาตอาศัยเงินคําทรัพย์สมบัติอาศัยความเอมีน้ําใจต่อกันมีมากมายที่อาศัยแต่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วนะมันตัวเองพึ่งตัวเองนะนะถึอมีแต่นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องพา น, นําเราไปสู่ความสุขความทุกข์นะ ถ้าเรามีความ เ, าเราทำบุญเอาไว้บุญก็พาไปสู่ความสุขถ้าเราทำความชั่วเอาไว้ความชั่วจะนำเราไปสู่ความทุกขนะ์นั่นะให้มองดูตนเองเถอะนะสุขกับทุกข์ในใจของเราอันไหนมากกว่ากันไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านถ้าหาว่าพวกเราทำยังน้อยอยู่ในเรื่องสร้างคุณงามความดีกับควพยายาม แร่งทำให้ดีขึ้นต้องระมัดระวังสํารวมกายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นให้ระวังขึ้นแต่ทางว่าเราเมีแต่ปล่อยประละเลยมีแต่ไม่ได้ใส่ใจสนใจมีแต่ประกอบแต่สิ่งที่อยากจะเป็นอยากจะให้อยากให้ความอยากอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อพูดนะความอยากตัวนี้แหละมันจะไหลลงไปทางต่ำเหมือนกับน้ำ ไหลลงทางต่ําใจของเราติดพบติดชาติไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนแสนชาติมีแต่เรื่องราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงใน จ, ใจิตใจเพราะนั้นมาพบในิชาตินี้พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่นนานแนะนําสั่งสอนพวกเราให้เราฟังพอฟังแล้วก็นำมากันกลองไตรตอง พิจารณาด้วยเหตุผลจริงไหมที่ท่านได้พูดถ้ามันจริงก็งเราต้องฝืนน่ฝืนจิตฝืนใจประกอบคุณงามความดีไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีในเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วความเจริญไม่ต้องหา ท, ที่ไหนหาอยู่ที่ใจของเรานี่จะความสุขสุขกายสุขใจละทนีนะถ้าตัว น, นี้ไปรับพรท่ทนนี่เนาะ